สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สามร้อยแปดสิบหกเรื่อง seek and save พระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลู ก, กาบทที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบพระธรรมลูกาบทที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบโปรดฟังพระวจนาของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไป ดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะขนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตีย้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดือ่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้น เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงนพระพักดูชักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่าชักเคียสเอย๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่าพระองค์เข้าไปพักกับคนบาปฝ่ายชักเคียส ยืนทูลพระองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดถ้าเจ้า่ะทรัพสินของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อฉนของของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดเป็นคบหัวข้อในเช้าวันนี้คือ seek ซึ่งแปลว่าหาแสวงหา and s แปลว่าช่วยช่วยให้รอดหัวข้อในเช้าวันนี้คือพระเยซูซึ่งเป็นบุตรของมนุษย์หมายความว่าในความเป็นมนุษย์ที่ จะต้องชิ้นพระชนบนไม้เงินเขนพระงมาเพื่อที่จะทำให้เราทั้งหลายได้รับความรอดได้รับชีวินิรัน์นั่นคือเที่ยวหาและเซฟนะครับ seek and save ให้เรามาดูนะครับเรื่องราวรายละเอียดของพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เพื่อที่เราจะได้รับบทเรียนจากชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายร่างเตีย้ยคนที่ตัวเตี้ยนั้นโดยปกติ เขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าถูกเขาบังเวลาถ่ายรูปก็จะเห็นว่าเป็นคนแปลกเพราะว่าคนตัวเตี้ยนั้นก็จะเหมือนกับปั่นหลอครับเวลาถ่ายรูปมาแล้วก็ปั่นหลอคนตัวเตี้ยนั้นก็เหมือนกับมีปมที่อยู่ในชีวิตแต่ว่าพระเจ้าก็ประทานให้คนตัวเตีย้ยเขามีสมองเขาก็คิดระวางแผนพี่น้องครับ ชีวิตของซักเคียสนั้นโดยธรรมดาทั่วไปนั้นบุคลิ ก, กภาพของคนกับชื่อของเขาควรจะต้องสอดคล้องกันพี่น้องทราบไหมครับว่าชื่อของซักเคียสนั้นแปลว่าอะไรชื่อของซักเคียสนั้นแปลว่า t h อิน no เซนตครับก็คือเป็นคนที่สบายๆและในขณะเดียวกันก็เป็นคนดีอินโนเซนนะครับคือไร้เดียงสา มีความหมายครับ the pure one the pure ที่แปลว่าบริสุทธิ์ครับและมีความหมายครับ the righteous one ก็คือเป็นคนที่ชอบทำชื่อของชื่อของสักเคียตเป็นชื่อทางบวกนะครับแต่ว่าอาชีพของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นทางบวกเพราะว่าคนที่มองเขาเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนบาป พี่น้องครับอาชีพของเขานั้นเป็นนายด่านภาษีและในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มั่งมีแต่ชื่อของเขานั้นก็เป็นชื่อว่าอินโนเซนต์ื่อว่าไร้เดียงสานะครับพี่น้องครับถ้าเราดูชื่อแล้วก็ประพฤติความประพฤตินะครับน่าจะสอดคล้องกันแต่สําหรับคนทั่วไปเห็นว่าไม่สอดคล้องกันเพราะอาชีพของเขานั้นเป็นนายด่านภาษี นายด่านภาษีนั้นมีหน้าที่ที่จะเก็บภาษีครับเก็บภาษีส่งโรมนายด่านภาษีนั้นทําหน้าที่เป็น Agency, เอเจนซี่ก็คือเป็นตัวกลางนะครับถ้าเขารีดนาทาเรนต์นะครับนโยายตามนโยบายของโรมคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนร้ายครับเพราะเนื่องจากว่าโรมนั้นก็ครอบครองคนยิวมานะครับนานนับร้อยปีเลยทีเดียว แต่ว่าเราจะเห็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่นี่ครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนตัวเตี้ยแต่เขาใคร่ปรารถนาจะเห็นพระเยซูสิ่งแรกก็คือว่าเราจะเห็นความเมตตาของพระเยซูครับพระเยซูนั้นแท้จริงจะเสด็จเข้าเมืองเยริโคและจะผ่านไปเมืองเยริโคนั้นเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะสวยงามมากมีสวนสวยมีน้ำดีนะครับ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่พักอาศัยเป็นรีสอร์ตเยอะครับเป็นที่ผ่านไปผ่านมาของคนขนของขนอินทภพันธ์ลำขนสินค้าต่างๆพระเยซูสเสด็จผ่านครับเมืองเยริโคพระคัมีรใช่ว่ากำลังทรงเดินผ่านไปหรือกำลังจะผ่านไปวลีนี้วลีนี้นั้นเป็นวลีที่ทำให้เราเห็นถึงหัวข้อวันนี้คือซิก เซฟเมื่อซักเคียสพยายามที่จะเข้ามาเพื่อที่จะได้รับความรอดพระเยซูรู้ครับรเยซูแสวงหาคนเหล่านี้ผู้ที่พระเยซูแสวงหานั้นก็คือเป็นคนที่พวกเขาจะเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคนที่พระเยซูแสวงหานั้นพระเยซูทรงรู้ล่วงหน้าครับและพระเยซูไม่กลัวที่จะเสียเวลาไม่กลัวที่จะ ทำให้แผนการเดินทางของพระเยซูอาจจะล่าช้าไปบ้างกำลังจะทรงผ่านไปแต่พระเมตตามีอยู่เสมอหลายครั้งทีเดียวชีวิตของเราอาจจะเร่งรีบนะครับเราจ้องรีบผ่านไปไปทางนูน้นแต่หารู้ไหมว่าพระเจ้า ก, กำลังเตรียมคนบางคนรออยู่ที่นั่นเพื่อที่จะให้เราสนใจเขาเพื่อที่ให้เราดูแลเขาเพื่อที่จะให้เราเป็น ที่เลี้ยงฝ่ายิวิญญาณของเขาพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะต้องจับกระแสการทรงนําของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ให้ได้อีกประการหนึ่งครับพระเยซูแสดงให้เห็นถึงการซิก n d s เซ e เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงตรงนั้นพระองค์ก็ทรงแงนพระพักดูซักเคสแล้วตรัสกับเขาว่าซักเคสเอ๋ยจงรีบลงมาพระเยซูสั่งว่าให้รีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านในวันนี้ในขณะที่แรกเริ่มเดิมทีพระเยซูกำลังจะผ่านไปแต่พระเยซูซีคคือสแสวงหาและยอมเสียเวลานะครับยอมเสียเวลาที่จะพักอยู่ในบ้านของซักเคสหนึ่งคืนพี่น้องครับเมื่อซักเคสรู้อย่างนี้นะครับซักเคสลงมาต้อนรับพระเยซูด้วยความยินดีฟีดาเป็นอย่างมาก พี่น้องดูนะครับว่าคำว่าจงรีบลงมาเพราะเราจะต้องพักในสิในตึกของท่านมีความหมายโดยนัยแปลว่าพระเยซูยกโทษความผิดบาปให้เขาพระเยซูมีความรู้สึกสงสารเขาปรากฏว่าพระเยซูเป็นคนที่เข้าใจเขาครับพี่น้องแต่เมื่อพระเยซูแสดงความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้ พระเยซูทรงยอมรับในตัวของเขาแม้ว่าพระเยซูไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทาหรือความบาปที่เขามีอยู่พถองครับเมื่อคนหนึ่งคนใดสัมผัสกับการพร้อมหรือความพร้อมในการยกโทษบาปให้อภัยบาปจากพระเยซูอยากจะให้เราเป็นเหมือนกับชักเคสนะครับรีบลงมาต้อนรับพระเยซู ด, ด้วยความยินดีปรีดาปราโมดไม่สนใจครับว่า คนภายนอกนั้นเขาจะบน่นเขาจะต่อว่าอย่างไรซักเคียสนั้นทูลกับองค์พระบุญเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าค่ะซัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อชนของของผู้ใหญข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสีเท่าเรามาคิดดูนะครับหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆสมมติว่าซักเคียสนั้นมีเงินอยู่ร้อยบาทครับทั้งหมดของเขามีเงินอยู่ร้อยบาท เขาบอกว่าไงครับบอกว่ารั์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถาเกิงหนึ่งเขาก็ต้องให้ออกไปห้าสิบใช่ไหมครับเหลือห้าสิบและครับและจากห้าสิบนี้เองถ้าข้าพระองค์ได้ช่อกโกง ข, งของผู้ใดข้าพระองค์ยอมให้คืนให้เขาสี่เท่าหมายความว่าถ้าโกงมานะครับสิบก็คืนให้สี่สิบปกติแล้วกฎบัญญัติของโมเสส คืนแค่เพิ่มขึ้น 20% สมมติว่าเกินร้อยหนึ่งนะครับเกินร้อยหนึ่งก็ให้เป็นร้อยี่สิบโกงร้อยหนึ่งต้องคืนร้อยี่สิบนี่คือการคืนครับพี่น้องครับหากว่าเงินที่ซักเคสโกงมานะครับและเขาจะต้องจ่ายจนไม่มีเหลือเลยนะครับก็คือห้าสิบเพราะฉะนั้นเขาควรจะโกงได้ประมาณเท่าไหร่ครับสิบสองจุดห้าใช่ไหมครับแสดงว่า เงินทองที่เขามีอยู่นะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเขาโกงชาวบ้านมานะครับเป็นไปได้ว่าไม่เกินสิบสองจุดห้าบาทหมายความว่าไงครับหมายความว่าสักเกียสนั้นเป็นคนที่ไม่ได้โกงใครมากนะครับในการโดยกันเผลอๆ อ, อาจจะไม่โกงด้วยคำ้ำทักวิาการพระกมพีสันนิษฐานครับว่าแท้จริงแล้วสักเคียสนั้น เป็นในด่านภาษีที่เป็นไปได้ครับว่าเขาจะสับซื่อเพราะเนื่องจากชื่อของเขานั่นแปลว่าอ n n o c เซน์ครับหรือ The p เพียร์หรือ The right รเชสทีน้องครับไม่ว่าซักเทสจะเป็นอย่างไรซักเทสนั้นเป็นผู้ที่พระเยซูชิกและเซฟทีน้องครับเราควรจะต้องช k ก n d s a ซ e เหมือนพระเยซูครับมีคนมากมายเดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตของเรานะครับ เราไม่ได้เสาะหาเขาหรือไม่เราไม่ได้มีความรู้สึกสงสารเขาหรือไม่เราเพรา้อมไหมครับที่จะนำเขามาถึงการยกโทษของพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน